สิกขาบทที่11ว่าด้วยการนั่งบนอาสนะโดยไม่ขอโอกาสก่อนเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,214 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม่บอกก่อนนั่งบนอาสนะข้างหน้าภิกษุภิกษุทั้งหลายจึงตำหนิประนามพนทนาว่า